เดี๋ยวต่อไปศึกษาเรื่องธรรมะกันต่อนอะเดี๋ยวศึกษาในเรื่องของการปฏิบัติการปฏิบัติทำสิ่งที่ควรทําความเข้าใจตรงนี้ก็คือเรื่องของเดี๋ยวหลักสามประการจำไว้เมืม่อเช้าพูดถึงในเรื่องของคําว่าปริยัติหมายถึงการเรียนจำเพียงเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติก็คือการลงมือทําใช่ไหม ประการที่3ก็คือปฏิ เ, เวท ค, คือผลมรซีผลสี่นิพพานหนึ่งปริยัตปฏิบัติและปฏิ เ, เวทเนี่ยทีนี้แต่หลายคนในเวลาเรียนปริยัตแล้วแต่ไม่ได้นำมาใช้มาลงมือทำให้เกิดประโยชน์เพราะว่าปฏิบัติเป็นตัวที่ต่อกันระหว่างปริยัตกับปฏิเวทในเมื่อปริยัตไม่นามาสู่การปฏิบัต ก็ไม่มีตัวต่อที่จะนําไปสู่ปฏิเวทคือผลฉะนั้นปฏิเวทก็ไม่เกิดขึ้นก็ไม่ครบวงจรฉะนั้นพอพูดถึงในลักษณะอย่างนี้ปริยัติที่ศึกษาหรือฟังหรือเราเรียนมาก็จะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเมื่อนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็จะมีผลก็คือปฏิเวทยอย่างนี้เป็นต้นเนะฉะนั้นาการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่มีปฏิเวทไป ป, ปริยัตยเนี่ยการปฏิบัติก็เกิดขึ้น ไม่ได้ก็คือโดยมากก็ผิดพลาดนั่นเองทีนี้ประเด็นต่อมาคือมาทำความเข้าใจอีกอย่างก็คือว่าหลายคนมักจะเข้าใจกันอีกอย่างหรือก็ค่อนข้างผิดพลาดถ้าการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยถามว่าถ้าเราอยากปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นทันหาหมั้ย ประเด็นตรงนี้ก็ต้องแยกให้ชัดนตรงนี้แต่จะไม่ได้ลงรายละเอียดมันเป็นตัณหาฉันทะกับกัตตุกรรมยตตาฉันทะตัณหาปรัฒนากับฉันทะปรัฒนาไอ้ตัวอยากด้วยตัณหามันเป็นการอยากที่จะบมเพอถ้าเป็นตัณหาฉันทะเนี่ยวิธีอยากแบบตัณหาไหมก็คืออยาก ได้สิ่งนี้มาปนเปลือยตนปนเปลือตาปนเปลือหูปนเปลือยจมูกปนเปลือลิ้นปนเปลือกายปนเปลือใจเนี่ยในตรงนี้ลักษณะอย่างนี้เป็นตันหาแต่ถ้าฉันท่าถ้าตัวฉันท่านี่มันกลายเป็นความอยากที่เป็นเรื่องที่ดีไปะนะเช่นไอตัวกตุกกรรมยาตาฉันท่านั่นแปลว่าอยากจะทํา มันเป็นการใ่เลยนะถ้าความอยากใยรู้ไยศึกษาเนะนี่ยใยนี่ยใยในการที่จะทําให้มันดีนะี่ชันท่าก็เป็นความอยากเหมือนกันอยากให้คุณภาพภาพชีวิตที่ดีเป็นตัวเราเนี่ยไอ้ตรงนั้นจะไม่กล่าวในรายละเอียดไอ้คำว่าอยากเสพมันเป็นตันหาไปส่วนชันทะมันกลายเป็นอยากที่เป็นกุศลอยากรู้อยากทําใยรู้ไยทำเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็แยกกันนี่ออก ฉะนันเวลาปรารถนาจะประพฤติปฏิบัติธรรมะอันนี้มันเป็นอยากในธรรมก็แปลว่าธรรมะชันทะก็คือว่าสิ่งที่ดีงามนี่นแหละความจริงความถูกต้องความดีงามเนี่ยในแง่ที่หนึ่งก็คือธรรมะคือความจริงชันทะก็คืออยากในความจริงนั้นอยากอยากในความจริงก็คือต้องการเข้าถึงความจริงต้องการอยากจะรู้ความจริงนั้นมันต้องต่างอยากตั้หาอันนี้ก็แยกกันได้ออกเนาะ อีกประการหนึ่งก็คือคราวนี้ก็คือว่าวิธีการปฏิบัติสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจอย่างนึ้งก็คือว่าการที่เราจะก้าวหน้าหรือการจะพัฒนาไปสู่การประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องดีงามเนี่ยเริ่มแรกเลยก็คือว่าอะไรเป็นตัวนำที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยประพฤติปฏิบัติได้อย่าง ชัดเจนก็ต้องขับเน้นไปดูศรัทธาศรัทธานี่แปลว่าความมันมีความหมายเฉพาะที่ศรัทธานั้นต้องเป็นศรัทธาที่เป็นพื้นฐานเป็นความเชื่อ ม, มั่นที่ถูกต้องทีนี้คำว่าศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยในความหมายจำว่าก็ต้องเติมคำว่าโพธิเข้าไปด้วยเขาเรียกโพธิศรัทธาถ้าเติมยาวออกไปก็เรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธา ถ้าเรียกสั้นๆก็แรียโพธิสถาที่ตถาคตโพธิสถานเนี่ยท่านแปลกันว่าความเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็หมายความว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าเคยเป็นมนุษย์ธรรมดาต่อมาพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ค้นพบสัจธรรมแล้วก็กลายมาเป็นพระพุทธเจ้าใช่มก็หมายความว่าปัญญาที่ทาให้คนเนี่ยกลายเป็นพระพุทธเจ้าได้ หรือมนุษย์เนี่ยสามารถพัฒนาปัญญาของตนเองให้เป็นพุทธะได้เพราะฉะนั้นเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือเชื่อในปัญญาที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นพระพุทธเจ้าได้เนีย่ยเชื่ออย่างเงี้ยมนุษย์จะต้องมีปัญญาตัวนี้และมนุษย์ก็ต้องสามารถพัฒนาให้ปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นได้ตรงกับที่ภาษาปัจจุบันที่เขาบอกเชื่อในศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่จะสามารถจะพัฒนาได้ ถ้าไม่มีความเชื่ออย่างนี้ก็ไม่รอดก็คือไปไม่รอดหรือก้าวไปต่อไม่ได้ฉะนั้นคนที่จะเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรมก็จะต้องมีความเชื่อนี้แหละก็คือมีตถาคตโพธิสัต t h ก็คือเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตก็คือเชื่อในปัญญาที่ทำให้มนุษย์เนี่ยกลายเป็นพุทธหรือเชื่อมนุษย์นี้สามารถพัฒนาตนเองจนกระทั่งมีปัญญาสูงสุด ตัสรู้เป็นพุทธะได้เชื่อในศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่พัฒนาได้เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เป็นต้นเราเข้าใจคําว่าตถาคตโพธิสาาตัตว์ชาติหรือยังชัดว่ า, วาความเชื่อในปัญญาตัสรู้ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเชื่อว่า พระรัตเจ้าเนี่ยตัสรู้ค้นพบสัจธรรมความจริงเลยกลายเป็นพระรัตเจ้าก็หมายความว่ามีปัญญาที่ทำให้คนกลายเป็นพระรัตเจ้าได้งั้นความเชื่อในปัญญาตัวนี้สําคัญอีกคำหนึ่งพระรัตเจ้าตรัสว่าทันโตเศธโหมนุเสสุในหมู่มนุษย์นี้มนุษย์ที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐฝึกแล้วคือพัฒนาแล้วหรือได้รับการศึกษาแล้วก็กลายเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้สูงสุดได้งั้นคําว่าธรรมะก็แปลว่าฝึก คำว่าภาวนาก็แปลว่าเจริญหรือแปลว่าพัฒนาศึกขาก็แปลว่าศึกษาเนี่ยเป็นศัพท์ที่ใช้แทนกันได้ใช่แทนกันว่อยฝึกแล้วก็หมายถึงมีการศึกษาหรือได้พัฒนาแล้วในบรรดามนุษย์ทั้งหลายนั้นอ่ะมนุษย์ที่ฝึกแล้วฝึกพฤติกรรมที่ไม่มีศีลนี่มีฝีศีลฝึกจิตที่ไม่มีสมาธิมีสมาธิฝึกทัศนาความเห็นที่ยังไม่เป็นปัญญาทำให้เป็นปัญญาเกิดขึ้นก็กลายเป็นผู้ที่ประเสริฐสูงสุดได้ พุทธพจน์อีกอย่างหนึ่งก็คือตรัสสอนให้มีความกล้าหาญเชื่อมั่นในตนเองบอกว่ากาลยานังวัตโพสักขิอัตานังอติมัญญสิก็แปลว่าท่านเอ่ยท่านก็สามารถทำดีได้ใหญ่จึงมาหมิ่นตัวเองเสียก็หมายความว่าเออท่านเอ่ยเนี่ยท่านก็สามารถที่จะทำดีได้สามารถที่จะฝึกตนเองได้สามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ ทำไมจึงมาดูหมิ่นตนเองเสียเล่าบางทีไปดูหมิ่นตัวเองว่าเราทำไม่ได้เราฝึกไม่ได้เราไม่สามารถจะพัฒนาตนเองในเข้าไปถึงจุดสูงสุดได้เนี่ยลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าตําหนิคนจํานวนมากดูถูกตนเองนึกว่าตนเองไม่มีความสามารถก็เลยท้อไม่สามารถจะทําสิ่งที่ดีงามเป็นต้นได้พราะพรุทธเจ้าเคยเตือนเลยเนะเตือนด้วยพุทธพจน์ที่บอกว่ากาลยานังวัตโพสักขิ อัตานังอติมัญญสิบอกว่าท่านเอ่ยท่านก็สามารถทําดีได้ใหญจึงมาหมิ่นตนเองเสียเล่าทําไมมาดูถูกตัวเองทําไมมาขวางกั้นตัวเองเสียเล่า <S <S <ๆ>เคยไหมเคยดูถูกตัวเองเคยหมิ่นตัวเองไหมเออตรงนี้คือไม่เชื่อมั่นก็คือว่าสําหรับเราใจเนี่ยพุทธ พ, พุทธพจนี่ เราใจเสมอให้มนุษย์มีความกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในตนเองแต่ไม่ใช่เชื่อมั่นอย่างเรื่อนรอยนะให้เชื่อมั่นในการที่จะพัฒนาตนเองต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งเริ่มแรกก็คือโพธิสัทธาเชื่อมั่นปัญญาตัสรุนะเชื่อมั่นว่ามนุษย์จะสามารถพัฒนาปัญญาตรัสรุให้เกิดขึ้นได้เชื่อมั่นว่ามนุษย์เนี่ย กลายเป็นพุท ธ, ธได้มนุษย์เนี่ยกลายเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธได้มนุษย์กลายเป็นปัจเจกพุท ธ, ธได้มนุษย์กลายเป็นอนุพุท ธ, ธได้นีสาวกพุท ธ, ธได้ความเชื่อในปัญญาตรัสรู้ที่ทําให้มนุษย์กลายเป็นพุท ธ, ธได้เนี่ยในโพธิสัตยานี้เมื่อโยองออกไปให้เต็มระบบก็คือศรัทธาในพระรัตนตรัยนั่นเองใช่ไหมเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต ก็ต้องเชื่อมั่นปัญญาของวัตถาคตที่จําแนกแจกแจงว่ารำเมื่อเชื่อมั่นปัญญาตัตรู้แจกแจงว่ารมก็เชื่อธรรมะเพราะไปเชื่อศีลสมาธิปัญญาแล้วบุคคลใดฝึกตามศีลสมาธิปัญญาก็เข้าถึงความเป็นสังขะรได้เข้าไปร่วมกับชุมชนในความเป็นสังขาได้จากปัญญาตัตรู้จากความเชื่อมั่นในโพธิสัตถาก็กลายเป็นรัตนยัตตัสัต t h ก็กลายเป็นซึ่เชื่อมั่นใน รัตนไตรตอนนี้ก็เข้าสู่ทางพอมีความเชื่อก็มีก็เริ่มต้นในการที่จะเดินทางทีนี้ตัวทางเนี่ยเรียกว่าอะไรตัวทางเนียใช้คําคำหนึ่งก็ เ, เรียกปฏิปทาใช่ไถ้าไม่เชื่อแล้วมนุษย์ไม่เดินนะไม่เดินทางถ้าไหวตรงตัวก็เรียกว่ามัชชีมาปฏิปท า, าเ็าแปลว่าทางสายกลางแต่คำสามัญที่เรียกกันก็คือมักค่า มัคคมัคคานี่ก็แปลว่าทางในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยหลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดก็คือมัคทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มาประชมลงในมัคมัคนี้เป็นทางดําเนินแล้วแต่ต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาด้วยเพราะทางมันมีหลายทางทางรถก็มีทางเรือก็มีทางเท้าอะไรเยอะแยะหมดแต่ทางในที่นี้ต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางดําเนินก็เรียกที่ประกอบไปด้วยองค์8ปประการ คืออรอยิยมรรคมีองค์8ใช่ไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นตกลงก็คือว่าสอดคล้องกันให้ชัดเจนว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการเดินทางการเดินทางก็ได้ไดแก่การดําเนินชีวิตเพราะว่าหลักธรรมภาคปฏิบัติทั้งหมดรวมอยู่ในมรรคทั้งสิน้นใช่ไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นปัญญาสิกขาสัมมาวาจาสมากมรมตาสมมาชีวะนี่เป็นศีลสิกขา สมาวิมาสมาสติและสมาสมาธิเป็นสมาธิสิกขาหรจิตตสิกขาทีนี้เครื่องที่จะช่วยในการปฏิบัติธรรมตอนนี้จะเข้าสู่มรรคแล้วเนี่ยก่อนที่จะมรรคจะเกิดก่อนที่อารยมรรคจะเกิดขึ้นในกระแสะชีวิตเนี่ยก็จะต้องมีปุพานิมิตปุพานิมิตก็คือแปลว่าคล้ายคําว่าลางๆแต่คําว่าลางไม่เหมาะ เป็นความเชื่อเรื่องโชคลางแต่ว่านิมิตเนี่ยเป็นเครื่องบอกเหตุพระเจ้าเปรียบแต่อบอกวเปรียบเสมือนพระอาทิตย์เนี่ยเวลาดวงอาทิตย์จะขึ้นก็จะต้องมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นปุพนิมิตนำทางก่อนแม้ชั้นใดก่อนที่จะเข้าสู่มรรคาหรืออริยมรรคจะเกิดขึ้นมีสัมมาทิตฐิเป็นต้นจะเกิดขึ้นก็จะต้องมีปุพานิมิตของมรรคนั้นมาก่อนชั้นนั้น ปุพานิมิต ท, ที่เกิดก่อนมรคนั้นมีอยู่7ประการนะอันนี้นกล่าวไว้ในคัมภีสั่งยุดมีเยอะเลเนยนะอาจจะคัดออกมาการปฏิบัตินั้นก็คือการศึกษาปริยัตและปฏิบัติรวมกันก็เรียกว่าการศึกษาใช่ไหมปริยัตปฏิบั ต, รติรวมกันทั้งหมดเนี่ยกระบวนการทั้งหมดเรียกว่าศึกษาเรียกว่าศึกษามรของ เ, ขเรานั้นรวมลงในอริยมรมีองค์8เริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิ ไปถึงสัมมาสมาธิเป็นองค์สุดท้ายจัดรวมเข้าในหมวด3ก็คือศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าไตรสิกขาก็เป็นข้อฝึกแล้วตกลงมารวมมรรคกับไตรสิกขามาชนกันแล้วมรรคนั้นแยกออกไปเป็นพอสรุปออกทีก็กลายเป็นสิกขาสิกขาก็คือการทําตัวให้ดําเนินตามมรรคก็หมายความว่ามรรคเป็นตัวทางเดินมันยังอยู่นิ่งๆอยู่แต่พอสิกขาขึ้นมาปุ๊บ ก็คือเราทำตัวให้เดินไปตามมักนั้นสิกขาก็แปลว่าฝึกฝนพัฒนาจะได้ใช่ไหมแปลว่าสําเนียกก็แปลว่าศึกษาฝึกฝนพัฒนาเพราะสิกขาแต่นี้แปลว่าการศึกษาก็ได้การสําเนียกก็ได้การเรียนก็ได้การฝึกฝนปฏิบัติการเล่าเรียนให้รู้ให้เข้าใจการฝึกขาดปฏิบัติให้เป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นในตนและทาให้เกิดทาให้มีขึ้นตลอดถึง จนแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปจนถึงความสมบูรณ์ข้อที่จะต้องศึกษาข้อปฏิบัติสําําสาหรับการฝึกอบรมการพัฒนาตนเองก็คืออธิศีลสิกขาเนี่ยสิขาคือศีลนันยิ่งอธิศีลัสิขานี่ที่ต้องศึกษาก็คือปฏิบัติเพื่อการฝึกอบรมพัฒนาศีนอย่างสูงก็เริ่มได้แต่ศีนห้ศีนแศีนสิ ศีลสองเป็นปฏิโมกขสังวรศีลเป็นอาทิศีลนะศีลหศีลแปศีล ส, 5, ส, 8, ส, ส, สิที่จะรักษาให้เกิดความเข้าใจให้เป็นเครื่องหนุนออกจากวตฏจถึงจะกลายเป็นอาทิาศีละศิขาได้บอกไปแล้วใช่ไหมถ้าอาทิจิตศาสิขาก็คือศิกขาคือจิตอันยิ่งอาทิจิตเนี่ยเป็นข้อที่จะต้องศึกษาข้อปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้ได้มีสมาธิเป็นต้นอย่างสูงเป็นกุศลจิต ทั้งหลายจนถึงสมาบัติทั้ง8มีปฐมฌานทุทาาตทิยฌานตัธิฌานเจตุทะฌานและอรูปฌานอีกสี่ฌานสมาบัติที่เป็นบาตแห่งวิปัสนาเป็นอธิจิตตสิกขาสมาบัติ8นะถ้าปฏิบัติด้วยความเข้าใจมุ่งให้เป็นเครื่องหนุนออกจากสังสารวัฏมุนออกหนุนออกจากวัตะจึงจะเป็นอธิจิตตสิกขาส่วนอธิ ป, ปัญญาสิกขานี่เป็นปัญญาอันยิ่งคำว่าปัญญาอันยิ่งในที่นี้ก็คือต้องศึกษา จะต้องศึกษาข้อบริบัติเพื่อฝึกอบรมพัฒนาปัญญาอย่างสูงด้วยอันนี้เป็นความรู้ความเข้าใจเริ่มตั้งแต่อย่างสามัญอันเป็นกรรมสกุาปัญญาคือปัญญาที่รู้จักว่าทุกคนนั้นเป็นเจ้าของแห่งกรรมของตนกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองส่จริตกรรมและทุจริตกรรมนั้นเป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงที่เทาวน์เนงินทองรัตนาชาติเป็นสมบัติชั่วคราวอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็พัฒนาต่อไปจนถึงอธิปัญญาที่เป็นวิปัสนาปัญญาที่กําหนดรู้ความจริงของไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาถ้าโดยในอย่างเผ่าเปาเป็นกรรมสกตาปัญญาเนี่ยโยงไปถึงมองเห็นทุกข์ที่เนื่องเดวั ต, ตะแล้วก็กระทั่งความรู้ความเข้าใจที่จะต้องระลึกในคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ซึ่งเป็นคุณของพระราชนตรยัย จนเป็นปัจจัยให้ก้าวไปในมรคคาที่เป็นอธิปัญญาศิกขาที่จะสามารถหนุนเนื่องตนเองให้ออกจากสังสารวัฏและก็วัฏตทุกเป็นต้นได้ฉะนั้นพอพูดถึงมรคในเป็นทางเฉยๆต้องมีสิกขานะต้องมีศิกขาด้วยจึงจะมีการฝึกขัดขัดเกลาอบรมในการที่จะเดินตามมรคนั้นใช่ไหมต้องสำเหนียกต้องฝึกฝนปฏิบัติใช่ไหมถึงจะเดินตามมรคนั้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ไปไประชุม ก, กันกับศิกขาขึ้นมาก็เป็นมรค แล้วไปในระหว่างเดินทางมันก็จะเป็นเครื่องช่วยเราเดินทางได้อย่างได้ผลจนกระทั่งบรรลุจุดหมายเพราะฉะนั้นจึงเป็นตัวนำและเป็นตัวช่วยใ น, ในเรื่องการศึกษาเนี่ยตัวนำและตัวช่วยที่เป็นปุปภณิมิตแห่งมร์เนี่ยเป็นปุปปฏิภาคของมร์ของการศึกษา7ประการก็คือหนึ่งกัลยาณมิตรตาความมีกัลยาณมิตรคนนี้พูดบ่อยท่านหมายความว่า ความมีกาลยานมิตรถ้าพูดอย่างภาษาง่ายๆก็คือมีสภาพสิ่งแวดล้อมสังคมที่ดีซึ่งถ้าจำกัดแคบลงมาก็เป็นตัวบุคคลเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์โดยเฉพาะครูอาจารย์ที่ทำหน้าที่สำคัญที่สุดของกาลยานมิตรก็คือการช่วยแนะนำชี้แจงชักนำในการที่จะทำกระแสชีวิตของบรรดาศิษ ย, ยานิศิษย์ทั้งหลายให้ดาเนินได้อย่างถูกต้อง ชักนําเข้าสู่การศึกษาหรือชักนําเข้าสู่การฝึกเข้าสู่ศีลสิกขาสมาธิศิกขาและปัญญาศิกขาครูมีหน้าที่ในแง่นี้จึงเป็นปบพนิมิตแห่งการศึกษาหรือของการศึกษาเพราะฉะนั้นพูดในแง่ความหมายว่าครูเนี่ยทำหน้าที่เป็นปบพณิมิตของการศึกษาไม่ใช่เป็นตัวการศึกษานะครูไม่สามารถจะให้การศึกษาแก่ เด็กเป็นต้นได้หรือแก่บุคคลทั้งหลายเป็นต้นได้แต่ครูเป็นผู้สามารถชักนำเด็กหรือสิทธ์ทั้งหลายเข้าสู่กระบวนการการศึกษาเพราะทาหน้าที่เป็นกระยาณมิตรตลอดเป็นจนถึงกระทั่งสื่อมวลชนหรือสื่อสารที่ดีทั้งหลายเนี่ยก็เป็นปัจจัยเกื้อนหนุนที่จะนําพาทำให้กระแสะชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายนาหรือดาเนินไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องดีงาม นี่สื่อทั้งหลายนะสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยที่สำคัญในทางการศึกษาอย่างมากรวมทั้งบางทีก็ไปทำลายการศึกษาซะเลยสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยสื่อตีพิมพ์ทั้งหลายเหล่านี้สื่อวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนเพื่อๆมันทำลายการศึกษาด้วยทำไม่ดีครับแปลว่าแทนที่จะทำให้ สัตว์โลกหรือบุคคลทั้งหลายแล้วเนี่ยดำเนินไปสู่การศึกษาที่ถูกต้องมีพฤติกรรมที่เป็นไปกับศีลมีสภาพจิตใจที่เป็นไปกับสมาธิมีทัศนคความเห็นที่เป็นไปกับปัญญาแต่กาลายเปทําลายศีลทําลายสมาธิทําลายปัญญาเฉลอใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสื่อที่น่าน่าน่าห่วอย่างไรก็ตามการมีกัลยาณมิตรไม่ใช่ว่าคนอื่นจะมาเป็นกัลยาณมิตรให้อย่างเดียวตัวเองก็ต้องรู้จักข้อผากัลยาณมิตรด้วย ในหน้าที่ของสังคมโดยเฉพาะหน้าที่ที่รับผิดชอบก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ผู้ปกครองก็จะต้องทำตัวเป็นกานาัญยาณมิตรสรรหาและก็สร้างสรรค์กัญกายาณมิตรให้แก่คนในความรับผิดชอบของตัวเองเช่นสรรหาและก็สร้างรายการสื่อทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้นให้ได้สิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างความคิดที่สร้างสารรค์รู้จักเลือกคบคนนิยมเป็นแบบอย่างในความประพฤติในการครองชีวิตเป็นต้นฉะนั้นการศึกษาก็เริ่มต้นเมื่อคนตนเองเนี่ยนะเริ่มรู้จักหากรรยานมิตรถ้ารู้จักเหมือนก็คือว่าถ้าดูสื่อสิ่งีพิมพ์ทั้งหลายวิทยุโทรทัศน์ทั้งหลายหรือข้อมูลข่าวสารทั้งหลายก็ต้องรู้จักเลือกถ้าไม่รู้จักเลือกเสียเลยชีวิตที่เรผ่านมาทั้งหลายเลเนี้ย ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมที่ลึกลงไปในด้านจิตตภาวนาเช่นไปทำกรรมฐานถ้าได้อาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรรู้จักเลือกกัลยาณมิตรรู้จักสอบถามปรึกษาแม้แต่รู้จักเลือกอ่านคำค้นคว้าคำสอนคำพีก็เป็นเครื่องหมายส่อสแสดงถึงความหวังในการที่จะก้าวหน้าสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติธรร ม, มได้ฉะนั้นข้อแรกเนี่ยกัลยาณมิตรจึงสาคัญมาก อันนี้เป็นปุบภณิมิตแห่งการศึกษาหรือจะเป็นเหตหรือเป็นรางบอกเหตุเป็นเครื่องหมายบอกเหมือนกับเวาลาดวงอาทิตย์จะขึ้นจะอุทัยขึ้นก็จะมีแสงเงินแสงทองขึ้นก่อนอันนั้นบอกเหตุว่าอีกไม่นานแล้วดวงอาทิตย์จะอุทัยขึ้นนี่เหมือนกันศีลสมาธิปัญญาจะโผล่ขึ้นมาในกาะแชีวิตของมนุษย์ก็ดูปุบภณิมิตข้อแรกเล ย, ก, ย, าายกัลยาณมิตดูเขาคบไข่ เป็นกัลยาณมิตรที่มีคุณสมบัติปีโยคุรุภาวนโยวัตาเจวจนาคโมคัมภีรันจากถังกตาโนจัตถเนจนิโยเชยอันนี้เป็นคุณสมบัติของกัลยาณมิตรโอ้โหพูดตรงนี้เรื่องยาวเลยเนะว่าพนที่เป็นกัลยาณมิตรทั้งหลายก็จะต้องเป็นอน่ารักเนะี่ยเป็นยังไงที่บริบูรณ์ไปด้วยศีลยังไงเนี่ยไอตรงนี้สำคัญมากนะคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรได้เนี่ยเขาเรี ย, ยกยว่า คุณสมบัติของกัลยาณมิตรเพราะว่าคนโดยส่วนใหญ่เราจะดูคนแล้วก็ดูไม่ออกใช่มเออเราจะดูอย่างไรที่เราจะสามารถได้บุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรโดยเฉพาะก็คือว่าในกรณีที่เราจะไปเรียนกรรมฐานนะไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มสัพพติกะกรรมฐานหรือปาริหาริกะกรรมฐาน กรรมฐานที่พึงต้องการในที่ทั้งปวงหรือพึงใช้เป็นฐานของการเจริญภาวนาทุกอย่างกรรมฐานที่เป็นประโยชน์ในทุกกรณีได้แก่เมตตาบ้างวรานานุสติบ้างอัศวะบ้างพุทธคุณเป็นต้นบ้างปริหาริกะกรรมฐานคือกรรมฐานที่ต้องบริหารประจําตัวเป็นกรรมฐานข้อหนึ่งข้อใอดก็ตามที่เลือกมาเหมาะสมกับตนเองอย่างนี้ก็ต้องไปหานี่แหละกัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรมีเพื่อนดีมีเป็นคนดีเนี่ยมิตรผู้มีคุณอันบัณฑิต นับว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติชัดเจนเนั่นเองนี่กาลยานามิตรโอ้โหไปดูเป็นคุณสมบัติคุณสมบัติที่เหมือนกับคำว่าเพื่อ น, น, นการที่เราจะพบเพื่อนที่ดีทั้งหลายเรานี้เป็นต้ น, นอันนี้ก็เป็นเป็นรายละเอียดแต่จะไม่ตามลงไปตรงนั้นเล ย, เยอระการต่อมาคือ ข้อต่อมาคือสีและสัมปทาการทำกุศลสีในถึงพร้อมสีก็คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยราบรื่นในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมเริ่มตั้งแต่ความมีวินยัยข้อบริบัติในการอยู่ร่วมกันทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นการสัมพันธ์กับสังคมสิ่งแวดล้อมในข้อหนึ่งก็คือเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีในสังคมเป็นเรื่องที่เราเนี่ย ได้จากสังคมมาให้กับตัวเองแต่ในข้อที่2เรามีส่วนร่วมที่จะต้องให้แก่สังคมบ้างด้านศีลเนี่ยก็คือการฝึกฝนตนเองด้วยแล้วก็ฝึกตนเองให้มีวินัยที่จะไม่ให้ตัวเองไปเป็นเครื่องก่อกวนให้เสียหายหรือเสียความเรียบร้อยของสังคมแต่ให้เป็นส่วนร่วมในการช่วยสร้างสารรค์ความเรียบร้อยดีงามเป็นต้นๆเสียสษัมปทามีความหมายว่าทําศีลให้สมบูรณ์หรือทําศีลให้บริบูรณ์ ทำศีลให้เต็มขึ้นมาการฝึกตนเองที่ไม่มีศีลให้มีศีลเนี่ยเรียกสัมปาทาทํำให้ถึงพร้อมทำให้เต็มขึ้นมาการทำให้มีศีลขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าต้องสร้างสรรความมีศีลสัมปทาในที่นี้คือการสร้างสรรหรือทำให้สมบูรณ์ทำให้มีคันให้เต็มขึ้นมาศีลสัมปทาการสร้างสรรความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม ตัวเองจะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยด้วยแล้วก็ต้องเกื้อ ก, กูลแก่สังคมด้วยไม่ใช่เป็นฝ่ายรับจากกาลยานมิตรอย่างเดียวตัวเองก็จะต้องแสดงออกต่อผู้อื่นในทางที่ไม่เบียดเบียนไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่สังคมก็จะต้องมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็จะต้องจัดระเบียบดาเนินชีวิตของตนเองให้ดีทาไมจะต้องมีศีล อุปมาง่ายๆก็คือในบ้านหรือที่ทำงานหรือในห้องที่อยู่ของเราเนี่ยถ้าข้าวของเครื่องใช้สมระเกะระกะสับสนไปหมดจะเคลื่อนไหวจะทำอะไรจะหยิบอะไรก็ติดขัดไม่สะดวกใช่ไหมไม่มีช่องที่จะลงหาทางที่จะใช้ก็ไม่เจอั้นไอ้ตรงเนี้ยเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆวางระเกะระกะไม่เป็นระเบียบเวลาจะใช้จะอะไทั้งหลายไม่คล่องแคล่ว ชีวิตของคนเราเนี่ยหรือในสังคมนี่ก็เหมือนกันถ้าสับสนวุ่นวายไม่เป็นระเบียบวันหนึ่งหนึ่งไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรอยู่ตรงไหนโดยการมีการแต่ถ้ามีการเบียดเบียนกันต้องหวาดกลัวกันระแวงกันอันตรายทั้งหลายเกิดมากมายเลยทีนี้จะทําอะไรก็ไม่ไม่มีช่องที่จะลงแล้วถ้าสภาพสังคมเป็นอย่างนี้ก็เรียกสังคมที่อยู่กันแบบไม่มีศีลไม่มีระเบียบไม่มีวินยัย ฉะนั้นก็คือเมื่อจัดระเบียบชีวิตและการอยู่ร่วมกันสังคมได้เรียบร้อยดีงามแล้วสภาพชีวิตความสัมพันธ์ทางสังคมก็จะเอื้อโอกาสแก่การทําสิ่งที่ดีงามทําสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือทํากิจกรรมอื่นๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นความมีชีวิตและการอยู่ร่วมกันที่เป็นระเบียบรย เ, ยเรียบร้อยเนี่ยเรียกว่าศีลการจัดระเบียบชีวิตและการอยู่ร่วมกันให้เรียบร้อยราบรื่นเนี่ยเป็นวินยัยไอ้วินัยเป็นตัวจัดการฝึกกระแสชีวิตของตนเองเนี่ยให้ดําเนินไปสู่ ศีลเป็นตัวอเนี่ยอันนั้นก็เป็นเป็นตัวธรรมะพูดอีกอย่างหนึ่งในทางกับการวินัยก็การจัดระเบียบชีวิตและความสัมพันธ์ในสังคมไม่เรียบร้อยเพื่อเอื้อโอกาสต่อการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปศีลก็คือความมีวินยัยหรือความเป็นผู้ตั้งอยู่ในวินัยนะั้นพูดให้สั้นเข้าไปก็วินยัยคือการจัดระเบียบให้เอื้อโอกาสต่อการพัฒนาชีวิตและสังคมศีลคือความความเป็นผู้ตั้งอยู่ในวินัยนะั้น เดินตามวินยัยฝึกตามศีขาบทแล้วก็ย้ายเข้าสู่ความเป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญาไล่ไปนั้นการที่จะฝึกให้มีศีลข้อสําคัญก็คือต้องมีวินยัยต้องมีระเบียบการที่จะมีศีลเกิดขึ้นมาเนี่ยการที่จะฝึกก็ต้องฝึกในฐานะที่เราตั้งอยู่บน ว, นวินัยนั่นแหละตัววินัยเป็นระเบียบแบบแผนทั้งหลายเป็นกติกาเป็นข้อตกลงร่วมกันเป็นสมมุติแต่ศีลเป็นสภาวธรรม นั้นีลสัมปท า, าก็คือฝึกพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพนัวเองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามแต่เจตนานั้นต้องเป็นไปกักุศลใช่ไหมแต่เจตนาที่เป็นไปกกุศลที่งดเว้นที่จะไม่ร่วงละเมิดทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นศีลมาประการต่อมาคือฉันทัศสัมปท า, าการทําฉันทัให้สมบูรณ์ก็คือการสร้างสรรค์แรงจูงใจที่เรียกว่าฉันทะแรงจูงใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากในการศึกษา ถ้าไม่มีแรงจูงใจเราจะก้าวเดินไปได้ยากเราจะดำเนินไปไม่ออกหรือไม่ยอมออกเดินเพราะฉะนั้นจะต้องมีแรงจูงใจแต่ต้องเป็นแรงจูงใจที่ถูกต้องก็คือฉันทะนี่แหละไฟรู้ไฟทาไฟศึกษาไฟฝึกฝนนะอยากรู้อยากทาที่ได้พูดไปแล้วก็คือว่าอยากมีอยากเสพอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะี อันนี้ก็คือเป็นตัญหาแต่ถ้าอยากเนี่ยนะจะทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งหลายเนพอบอกว่ารักเนี่ยรักในศีลสมาธิปัญญารักในพระนิพพานพอเกิดเกิดใจรักธรรมะขึ้นมาแล้วเราจะต้องฝึกตนเองให้มีศีลนโอ้โหถ้าบอกว่าถ้าคุณภาพที่มีศีลแล้วเนี่ยจะเป็นฐานของจิตที่ตั้งมัน่น จิตที่ตั้งมั่นแล้วจะเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาโอ้โหเพรเกิดชันทะอย่างนี้ขึ้นมามนชันทะในธรรมะก็มีชันทะในการที่จะทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นมีแรงจูงใจมีความรักอย่างแรงกล้าเกิดขึ้นมาประการต่อมาคืออัตตาสัมปทาการทําตนให้ถึงพร้อมพอไม่สมบูรณ์อัตตาสัมปทานี่สําคัญใช้ในภาษาที่ทําให้เกิดความเข้าใจคือ เราเชื่อมั่นศักยภาพของมนุษย์ว่าตามหลักของโพ ธ, ธิสัตหามันถึงตอนนี้การสร้างสารรค์ตนเองให้สมบูรณ์ก็คือการพัฒนาศักยภาพตนเองให้เต็มที่อัตสัมปทานี่เป็นศัพท์ธรรมะที่เรามองข้ามกันไปแปลกเหมือนกันว่าทําไมเราจึงมองข้ามพระเจ้าตรัสไว้กับข้ออื่นๆในชุดเดียวกันใน7ข้อเนี่ยเรียกกันได้ว่าธรรมะชุดนี้ถูกมองข้าม ไม่ค่อยมีใครสนใจมากนะว่าอาตัตตาสัมปทาพรุทธเจ้าบอกว่าปุพพนิมิตของมรรคข้อที่4คืออตัตตาสัมปทาการสร้างสารรค์ตนเองให้สมบูรณ์คือพัฒนาศักยภาพตนเองให้เต็มที่หลักการก็คือตนเองไม่มีศีลก็ทําศีลให้เกิดขึ้นตนไม่มีศรัทธาก็ทำศรัทธาให้เกิดขึ้นตนไม่มีศีลตนไม่มีสุตตัด ต, ตนไม่มีจาค่าตนไม่มีปัญญาก็พัฒนาตนเองให้เกิดขึ้นใช่ไหมนี่ทำตนเองให้ถึงพร้อมทุกด้านให้มีศักยภาพทุกด้าน อ๋อตรงต่างกันก็คืออันนี้พูดถึงในเรื่องของศักยภาพของตอนเองให้เต็มที่หมายความว่าต้องทำศักยภาพของตอนเองให้เต็มบริบูรณ์ผู้ที่เป็นปุรุชนก็ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นอริยชนนะหรืออริยบุคคลชั้นต่ำก็พัฒนาเพื่อเป็นอริยบุคคลชั้นสูงยิ่งๆขึ้นไปนะถ้าตนเองยังเป็นปุรุชนอยู่จะทำยังไงก็พัฒนาตนเองจากปุรุชนให้เป็นพระโสดาบัน ถ้าตนเองยังเป็นพระโสดาบันอยู่ก็พัฒนาตนเองจากพระโสดาบันให้เป็นพระสกทาคาตนเองพักเป็นพระส ก, กาทาคา ม, มีอยู่ก็พัฒนาตนเองให้เป็นพระนาคาเป็นพระนระาคาก็พัฒนาตนเองให้เป็นพระรหันเนี่ยตนเองเป็นคนขี้โกรธก็พัฒนาตนเองให้หายจากโกรธไม่ไปกลายเป็นคนมีเมตตาอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าอัตตาสัมปทาทำตนเองให้สมบูรณ์ให้ถึงพร้อมทุกด้าน ทังด้านพฤติกรรมก็ให้ถึงพร้อมด้านจิตใจก็ให้ได้ถึงพร้อมทั้งคุณภาพสมรรถภาพทั้งด้านความสุขทั้งด้านปัญญาก็ให้มีปัญญาทุกด้านทั้งด้านปัญญาหาทรัพย์ปัญญาหาธรรมะเอออย่างเงี้ยพ่อจะมองเห็นไหมสําคัญไหมอัตตาสมบาาัาตรงนี้มันก็มองตอนเองออกว่าตนเองขาดด้านไหนไอ้ตรงไหนมันบกพร่องก็ทําให้เต็มที่เลยใช่ไหมอันนี้นี่ลักษณะอย่างนี้แหละ นี่พัฒนาตนเองอย่างไรก็ตามในข้อนี้เราสามารถที่จะอธิบายค่อนข้างได้เยอะคำว่าอัตตาสมบัติก็ไปพัฒนพิจารณาดูว่าเราขาดตกบกพร่องข้อไหนเราจะทำตนนี้ถึงพร้อมในอะไรมันพูดถึงข้างนอกก็ได้โอ้ตนเองไม่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เลยก็เอาละทำตนเองมันถึงพร้อมให้มีข้อมูลความรู้ทางด้านนี้ ตนเองไม่มีข้อมูลความรู้ในทางด้านประวัติศาสตร์เลยเอาก็ทำตนเองถึงพร้อมไม่มีข้อมูลความรู้ในเรื่องนี้ตนเองไม่มีข้อมูลความรู้ในเรื่องวินัยเลยเอาก็รู้วินัยศึกษาค้นคว้าไม่มีความรู้ในเรื่องพรเลยในเรื่องไม่มีความรู้ในด้านคณิตภิธรรมเลยเ น, นี่ยโหต้องทําตนเองให้ถึงพร้อมไหมเออเนี่ยไอตต้ตรงนี้สําคัญมากอันนี้เป็นปุพานิมิตแห่งการบรรลุธรรมเนี่ยสำคัญมากๆมาประการต่อมาคือ หกทิฏฐิสัมปทาก็คือการทําทิฏฐิให้ถึงพร้อมหรือการสร้างสรรทิฏฐิให้สมบูรณ์ทิฏฐิคืออะไรทิฏฐิก็คือทัศนคติก็คือค่านิยมความคิดเห็นท่าทีของบุคคลต่อสิ่งต่างๆเจตคติก็ได้ทัศนคติก็ได้หรือค่านิยมที่มีความสําคัญในการศึกษาพระเจ้าสอนว่าจะต้องมีทิฏฐิมีทัศนคติมีค่านิยมที่ถูกต้อง ในการศึกษานั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำก็คือการพัฒนาในเรื่องทัศนคติค่านิยมที่เรียกว่าทิฏฐิสัมปทาทัศนคติหรือค่านิยมที่สำคัญที่พุทธศาสนาย้ำก่อนอื่นก็คือสัมมาทิฏฐิเบื้องตน้นอย่าลืมนะไอ้ทิฏฐีแปลว่าความเห็นทีนี้ไอ้ทิฏฐีที่ยังไม่ถึงพร้อมก็แปลว่าทิฏฐีที่มันยังมีปัญหาอยู่ ทัศนคติที่ยังคับแค บ, บติดตันทัศนคติที่ยังไม่สามารถจะเข้าตรงตามปัญญาที่ถูกต้องเ น, นะนี่ยนะเจตคติทัศนคติทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นต้องพัฒนาต่อไหมต้องพัฒนาไปถึงกรรมสกตาสมาธิิจนสามารถมีความเห็นที่สอดคล้องกับเหตุและผลของกรรมและผลของกรรมมีทัศนคติที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยยังไงโอ้โหกว่าจะพัฒนาทัศนคติให้ไปรู้จัก ว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นเนี่ยนี้เป็นความจริงเนี่ยโอ้โห oh, ต้องพัฒนาเยอะเลยอันตัวทิฏฐิสัมปทานนี่สาําคัญมากถ้าเรายัางกอดอยู่กับความเห็นอยู่เราก็ไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้จากนั้นจะต้องเริ่มพัฒนาจากความเห็นนี่แหละจากมีความเห็นก็พัฒนาไปเรื่อยๆๆจนให้เข้าถึงความจริงความจริงในระดับเหตุและผลความจริงในระดับเหตุและผลก็คือว่าทํากรรมอย่างไรใหญ่ผลก็ตามมาอย่างนั้น ให้มีกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิที่บอกว่ากรรมสกาสัตว์ทั้งหลายมีสุจริตกรรมและทุตจริตกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองมีกรรมเป็นเป็นทายาทของกรรมก็หมายความว่าเราเป็นทายาทของสุจริตกรรมและทุตจริญกรรมเราจะต้องรับมรดกคือสุจริตกรรมและทุจริญกรรมที่ทําไว้ทั้งหมดเนี่ยเจตนาที่เราทําไว้ทั้งหมดเราจะต้องเป็นผู้รับผลของการกระทํานั้นๆเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ เป็นพ่อแม่พี่น้องเผ่าพันธุ์ใช่ไหมบางทีเราก็มีญาติที่เบียดเบียนบ้างญาติที่สนับสนุนส่งเสริมกรรมที่เราทําไว้ก็เหมือนกันถ้ากรรมดีก็สนับสนุนถ้ากรรมไม่ดีก็เบียดเบียนบิดคันนี่เรามีกรรมเป็นเหตุแห่งสุขมีกรรมเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าทําทุจริตกรรมก็ได้ความทุกข์ถ้าทําสุจริตกรรมก็เป็นเหตุแห่งสุขอย่างนี้เป็นต้นเรามีกรรมเป็นที่พึ่งนะ ทำกรรมใดไว้ดีหรือช่วจะต้องรับผลของกรรมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือจะต้องมีทิฏฐิสัมปทาประเภทกรรมสักตาสมาทิฏฐินี่แหละนี่นะก็คือมองโลกและชีวิตและรู้และเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นหรอเนี่ยนี่ก็เป็นทัศนคติที่ถูกต้องหลักการต่างๆในชุดนี้ว่าที่จริงก็คือมันสัมพันธ์กันนะมันสัมพันธ์ทั้งหมดตั้งแต่ฉันทะไล่มาตามลําดับนี่แหละ ที น, นี้ความจริงประการหนึ่งก็คือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าประกาศหลักแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยทัศนคติหรือท่าทีของมนุษย์ต่อโลกที่ควรจะต้องเป็นไปประการแรกก็คือการมองสิ่งทั้งหลายตามความสัมพันธ์ก็คือตามเหตุปัจจัยนี่แหละจะต้องฝึกหัดให้มีทัศนคตินี้ ก็คือส่วนท่าทีทัศนคติค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างอื่นจะต้องตามมาที่หลังเช่นความนิยมในการผลิตเป็นต้นเหล่าเนี้แต่อันดับแรกก็คือจะต้องมีทัศนคติก็คือมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยคือเข้าใจกระบวนการเหตุของปัจจัยได้เมื่อไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหนี่ทัศนคติแบบนี้ถือว่าชัดเจนนะเช่นเรามองมนุษย์เนี่ยเอ๊ะทำไมคนคนนี้จึงเป็นคนหน้าบึง้ง อ่าแต่นี้เอาแล้วแต่นี้ถ้าเรามีทัศนคติที่มองสัตว์ทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยเราสามารถจะวิจัยได้ไหมอ๋อคนคนนี้คงจะมีอกุศลประเภทหนึ่งมากเช่นมีทิฏฐิมีกําลังมีมานะมีกําลังมีตัณหามีกําลังหรือเปล่าหรือประเภทโทสะเอออย่างเงี้ยนะเออถ้าอยากเจาะลงไปมากกว่านั้นอะไรหนอที่เป็นเหตุเป็นปจัจจัยทําให้เธอมีความเครียดในกระบวนการของชีวิตค่อนข้างมาก อาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมเอ่ยสื่อเอ่ยสภาพสังคมที่เธอไปรับรู้อาจจะได้มองสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อย่างผิดพลาดถูกกระทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นเหตุทําให้เธอนั้นค่อนข้างมองสิ่งทั้งหลายเนี่มันเป็นทุกข์ไปหมดเลยยิ่งไปศึกษาคําสอนโดยมีความเข้าใจผิดพลาดบอกว่าพระุทธเจ้าบอกทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปพอเห็นอย่างนี้มาโอ้เป็นทุกข์แล้วก็มองด้ททททท่่่าีีีใจเป็นุก อันนี้ก็เลยมี็นทัศนคติผิดพลาดต่อพทธศาสนาก็อีกก็เหมือนกับฝรั่งที่ชอบมองนี่แหละ น, นี่ก็เรียกทัศนคติผิดหรื อ, รอถูกมีทัศนคติที่ผิดเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เรียกมองมีทัศนคติที่บิดเบี้ยวไป น, นี่ไม่ตรงตามความเป็นจริงอประการต่อมาคือว่าอันนี้กับ ก, การฝึกหัดในการที่จะมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง มองเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็จะส่งเสริมการสร้างสรรค์การมองเห็นเหตุปัจจัยคือการมองเห็นเป็นกระบวนการเกิดมีขึ้นของสิ่งต่างๆและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายได้เริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อสภาพต่างๆเนี่ยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนันจะเริ่มเห็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เป็นไปอ้ายกตัวอย่างเช่น ถ้าเราจะฝึกให้เราเป็นคนเครียดทำได้ไหมเราก็มีเจตนาในการตึกมองหวาดละแวงสิ่งแวดล้อมสภาพสังคมไม่น่าไว้ใจทุกวันนี้อะไรก็ไม่น่าไว้ใจทั้งนั้นมนุษย์มันหลอกกันมากก็เสพข่าวเสพสิ่งแวดล้อมที่มันน่ากลัวน่ากลัวเยอะๆๆ ๆ, ๆแล้วก็ไม่น่าละแวงแล้วก็นั่งไปในรถปุ๊บก็เริ่มละแวงไอ้คนขับรถนี่ โดยหน้าตามันอย่างนี้ไม่น่าไว้ใจไอ้คนนั่งอยู่ข้างๆเราก็ไม่ได้ค่อยน่าไว้ใจฉะนั้นเราต้องระมัดระวังตัวให้เต็มที่จะไปไว้นิ่งนอนใจไม่ได้จะนั่งเผอนั่งหลับไม่ได้ <c ười> คิดไปเลยแล้วเราจะกลายเป็นคนที่หวาดระแวงเป็นคนขี้กลัวขึ้นมาทันทีอันนี้เขาเรียกไม่มองโลกและชีวิตตามที่มันเป็นอันนี้อยู่กับความเห็นเล็กนะ้อยเขาอาจจะเป็นคนดีอะไรอีกเยอะแยะหมดเราก็ไม่สามารถจะไปเจาะมุมนั้นเขาได้อันนี้เห็นไหมการมีทัศนคติหรือท่าทีที่ เบี่ยงเบนหรือผิดพลาดไปขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายไม่ได้มองเห็นโลกและชีวิตตามที่มันเป็นทีนี้ถ้ามองเห็นโลกและชีวิตตามที่มันเป็นหรือมองไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็มองเห็นเออวันนี้คนนี้เยี่ยมแย้มแจ่มใสอ๋อทําไมคนค น, นี้จึงล่าเริงเบิกบานเอ๊ะทำไมคนนี้จึงเศร้าหมองคนนี้ทำไมถึงทํากายยตุจริทธวจีตุจริทธมโนตุจริทเออทาไมตีเตียนพระรยาเจ้าคนนี้ทำไมทํากายยสุจริทธวจีสุจริท มโนสุดจริตไม่ตีเทียนบริยาเจ้าเออเนี่ยคติสองคนนี้จะไปอย่างไงนี่มองเป็นตามเหตุตามปัจจัยช่วงนี้ฝนตกช่วงนี้อากาศร้อนอะไรก็แล้วแต่ต้นไม้ขึ้นเยอะไม่เยอะทั้งหลายเราทั้งหมดเหล่านี้ล้วนมีกระบวนการเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งหมดนี่ฝึกคิดฝึกทําความเข้าใจพอปรับทัศนคติมุมมองนี้มากขึ้นมากขึ้นนะข้านะข้าจะเป็นคนมองอะไรเป็นไปตามเหตุและปัจจัยนั้นในทางตอนกันข้ามนะถ้าจะฝึกตัวเองให้เป็นคนงม ง, ง, ง, งายได้ไหมโอ้โง่ายมากเลย อย่าไปคิดเหตุคิดผลอย่าไปอ่านศึกษาอะไรเยอะมองอะไรขึ้นมาไปเสร็จก็ศึกแล้วก็พยายามเสพแต่เรื่องเหล่านี้มากๆไอ้ดวงดาวดวงอาทิตย์ทั้งหลายอะไ่เนี้ยไปไปแล้วก็ไปบอกเออเราเป็นคนตัณหาจริตเราก็ต้องจมอยู่ไอ้ตัณหาจริตนี้แหละถ้าไปคิดอย่างเงี้ยแปลว่ามีทัศนคติที่ติดตันขับแคบเราเป็นคนโทสจริตก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไป เราเป็นคนโมหจริตก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเราเป็นคนวิตกจริตก็ต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปเราเป็นคนศรัทธาจริตก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเราเป็นปัญญาจริตก็ต้องเป็นปัญญา ต, ตริต ure. ตลอดไปเการค ist, vet, ิดลักษณะอย่างเนี้เขาคิดไม่ถูกมันไม่เป็นได้เหตุปัจจัยให้เหตุปัจจัยเปลี่ยนมันเปลี่ยนนะไม่ว่าดีหรือไม่ดีนี่เป็นอย่างนี้มนุษย์ก็เลือกเอาไอ้เนี้ยถ้าเรารู้กระบวนการสิ่งต่างๆถ้ารู้หรือมีปัญญาเข้าใจในเรื่องนี้มากเท่าไหร่ มันก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้แต่สำคัญคือรู้ถึงไหมรู้ได้อย่างกว้างไกลไม่รู้อย่างชัดเจนไหมรู้อย่างรอบครอบไหมรู้ตลอดสายไหมเอออันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีนะทั้งหมดอยู่นี่อยู่ที่ขอบเขตของปัญญานะว่าแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนั้นจากที่เป็นทิฏฐิเนี่ยธรรมดาก็เข้าไปถึงทิฏฐิสมัมปทาก็คือทาความเป็นได้ถึงพร้อมถ้ารู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ในที่สุดจริงๆก็จะสามารถเห็นสิ่งทั้งหลายมันสัมพันธ์กันอย่างไรมองในแนวทางที่จะสืบค้นหาเหตุปัจจัยส่งเสริมการอยู่อยากรู้ความจริงการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในการเรียนรู้กระบวนการของเหตุปัจจัยนั้นก็ทําให้มองเห็นอาการสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นและการที่สิ่งทั้งหลายที่มันมีขึ้นแล้วนั้นเป็นไปตามเหตุเป็นปัจจัยไงมันจะเป็นผลดีผลร้ายอย่างไรเป็นต้นเหล่านี้เราก็สามารถที่จะมองเห็นแล้วก็จะสามารถแก้ไขกระบวนการต่างๆเป็นต้นเหล่านี้ได้ ในทางกับการเนี่ยความเป็นคนไฝรู้ไปเรียนไปศึกษาใฝ่สร้างสรรค์มันส่งเสริมให้มองหาเหตุและปัจจัยด้วยทีนี้ถ้าเด็กเนี่ยนะเด็กๆสมัยที่เราเป็นเด็กๆเวลาเราอยากจะเรียนรู้อะไรปุ๊บมันก็จะหาเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นไม่ต้องอะไรนะสมัยเด็กๆตอนนั้นเนี่ยเออสมัยก่อนที่ฉันเด็กๆอาจารย์ยังเด็กๆอยู่ในยุคนั้นน่ยมัน มันเริ่มมีวิทยุยมตาเนี่ยไปบวชเป็นพระแล้วต่อมาแกมีคนถวายปัจจัยอะไรเงี้ยเนียแกก็ไม่เอาแกก็ไปซื้อวิทยุใหญ่ๆ อ, ยยอยเอามาตั้งไว้ที่บ้านในหมู่บ้านนั้นไม่เคยมีใครมีวิทยุเลยมีบ้านนี้นะบ้านทีอาจารย์โอ้โหคนในหมู่บ้านมามองกันเป็นแถวเลยโ อ, อ้โหทุกคนเนี่ย พอตกเย็นมากลับมาจากทำงานก็ต้องมารวมกันเต็มมันมาวังวิทยุทานินขนาดใหญ่โอ้ยมีเสาเลยนะโอ้ยมีเสาสายไปต่อไปไม้ไผ่ขึ้นไปสูงเลยยอดหลังคาเสียงดังไอ้เราก็เป็นเด็กๆมันมีเสียงคนพูดได้เสียงร้องเพลงก็มีเสียงคนก็มีข่าวสารแะ้วมันมีหมดนะนะ ก็นึกในใจเดี๋ยวพ่อแม่ไปนาไปไร่เมื่อไหร่เดี๋ยวฮะเราอยากจะรู้ว่าไอ้ข้างในมันหน้าตามันเป็นยังไง <c oughs> เอาอะไรแตเนี้ยมันอยากรู้แล้วพอพ่อแม่ไปแล้วปุ๊บเราก็หาโต๊ะเก้าอี้มาตั้งขึ้นไปปุ๊บเคลื่อนย้ายออกมาจากไอ้ตัวที่เขาอันก็เอาอะไรมาหมุนหมุนดูข้างในเฮ้ยคนมันไปไหนวะเมื่อกี้มันยังมีเสียง มันหาคนมันนึกว่ามันหลบตรงไหนมันซ่อนตรงไหนเรนเป็นเด็กเราไม่รู้อ่ะคือมันจะต้องมีเสียงมนุษย์ที่มันจะต้องมีมนุษย์อยู่ข้างในนี่มัน้ึงพูดออกมาได้ใช่ไหมนี่มันคิดแบบสามพัฒน์จำเนิรคิดแบบเด็กไงนักเข้าไปงัดสะพังเสียหมดคือต้องการจะจับไอ้ตัวคนนี่แหละโอ้ยโดนตีจะไม่รู้ตนี้นี่นี่ความอยากรู้มันไม่รู้ไงมันหาเหตุผลว่า คือมันฟังอะไรขึ้นมาเหมือนเนี่ยมนุษย์เห็นฟ้าร้องเนี่ยเนี่ยมันก็ดากันไปทั่วมั่วไปหมดเดีเนี้มันยังหาเหตุปัจจัยไม่เจอมันก็เลยนึกว่าโอ้เนี่ยโอ้มันมีผู้ดนบันดาลเลยใช่ไหมเราเนี่ยฟ้าร้องฟ้าผ่าขึ้นมาโอ้โหนี่ฟ้าดินลงโทษเอาอะไรแต่เดีเยนี้ยมนุษย์อ้อนวอนกันเลยเดี๋ยนี้เนี่มาจากไม่รู้นี่แหละเห็นไหมมันสืบค้นหาเหตุหาปัจจัยไม่เจอมันก็เลยเอายกให้เวลาบางทีมันประเด็นก็คือเวลายกบอกว่าเอ้าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ เทวดาประจําหรือเทพเจ้าพอไปเอาความรู้หรือความเข้าใจของมนุษย์ไปฝากไว้กับพระผู้เป็นเจ้าจะจบเลยแต่เนี้ยนะครับนะครับมนุษย์ไม่ศึกษาต่อไม่ฝึกฝนไม่พัฒนาไม่วิจัยต่อไปแล้วโยนบอกหรือเหนือความคิดค้นของมนุษย์ไปโยนให้เป็นพระเจ้าโยนในเทพวดาไปเออเนี่ยมนุษย์เนี่ยโยนไปโยนมาโยนติดตันไปเลยเหมือนมนุษย์บางกลุ่มคิดไปคิดมาก็บอกว่า กรรมเก่าสุกตกเนีอีกกลุ่มหนึ่งก็เอ้ามีผู้โดนบันดาลอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเออมันเกิดขึ้นเองลอยๆแล้วแต่ดวงดาวท้องฟ้าดินฟ้าบังเอิญนั่นเนี่ยไปๆมาพอไปโยนทิ้งไว้อย่างนี้โตมขึ้นมามนุษย์ไม่ศึกษาต่อนะพอไม่ศึกษาต่อมันก็กลายเป็นติดตันอันนี้พระาบอกว่านี้ตาหนิเลยพระอาจารย์เนี่ยเออย่างนี้แปลว่างม ง, ง่าย กล า, า, ายเป็นกรมงงานเลยแทนที่จะพัฒนาต่อก็ไม่พัฒนาต่อก็ไปติดตามอยู่แค่ตรงนี้แล้วไปไปมาก็ไปห้ามคนอื่นจะคิดต่อด้วยโอ้ไปใหญ่เลยทีนี้ถ้าคนอื่นจะคิดต่อจะวิจัยต่อจะแยกแยะต่อไม่ได้ไปไปมามนุษย์ก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าไม่ได้ไม่ได้ไไดห้ามห้ามสงสัยในใดในตัวของเทพเจ้าโอ้จบเลย <laughs> โอ้ทีงี้มันติดตันแล้วทนี้มนุษย์ไปไม่เป็นเลยทีนี้นะเลยมนานติดตันอยู่แค่ตรงนี้ศักยภาพจรงิจรงๆนะมนุษย์มีศักยภาพที่จะรู้ได้มากกว่า น, นั้นก็กลายไม่ต้องมาหยุด ก็ตรงไอ้ความมาเชื่อผิดๆนี่เลยมองเห็นไหมัน่นทัศนคตินี่สําคัญอย่างน้อยผู้ดีดําเนินชีวิตอยู่ในโลกอยู่ในสังคมก็ทําการสิ่งใดๆหรือปฏิบัติธรรมอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อมองดูความสําเร็จหรือความล้มเหลวความเจริญหรือความเสื่อมของตนเองก็ตามของผู้อื่นก็ตามถ้ามีทัศนคติที่มองไปตามเหตุปจัจจัยก็จะได้พิจารณาคน้นหาเพื่อให้ได้แก้ไขป้องกันหรือส่งเสริมตามเหตุปัจจัยอย่างถูกต้อง ไม่ใช่เอาแต่โทษคนโน้นคน น, น, ค น, นี้สิ่งโน้นสิ่งนี้เลื่อนลอยใช่ไห ม, ม, มไอ้ตรงนี้สําคัญมากเลยว่ามันนัดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าดีตรงที่เราได้ศึกษาคําสอนของว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเปิดประเด็นนี่เลยเอาเลยเนี่ยเใช้ปัญญาให้เต็มที่ใช้ใช้ความเพียรให้เต็มที่สติสมาธิความขันติอดทนทั้งหลายฝึกให้เต็มที่เลยว่างี้ยถ้าฝึกเต็มที่ได้แล้วแหมไม่มีขีดจํากัดโอ้ตรงนี้เนะี่ย สุดยอดกตตรงนี้แหละอันท้าทายมากแต่ถ้าหากว่าเออไม่เอาแล้วว่าให้มนต์โย่เพิ่มแค่นี้แหละไปไปมาแทนที่จะโอ้โหชานฉลาดมากกว่านี้ก็ไม่ได้ไเลยดูอันนี้เป็นหน้าเป็นห่วงไหมนอกจากนั้นก็คือท่าทีของการมองตามเหตุปัจจัยยังไปสนับสนุนตัวท้ายที่จะพูดต่อไปก็คือให้รู้จักพิจารณาส า, าเหตุปัจจัยตามหลักของโยนิสมนสการเป็นต้นด้วยตรงเนี้ย ทิฏิสัมปทาสำคัญข้อที่6อัปนมานะสัมปทาการถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็คือสร้างสรรคมมรรร์ความไม่ประมาทให้สมบูรณ์ความไม่ประมาทนั้นคือการมีจิตสํานึกในเรื่องการเวลาในความเปลี่ยนแปลง น, นั้นคนที่ไม่ประมาทก็คือสํานึกในเรื่องการเวลาและเวลาเคลื่อนไปผ่านไปตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยววันเดียววันเดียวเดือนเดียวเดือนเดียวปีเดียวปีเนี่ย หรือทุกวินาทีเนะี่ยมันไม่เคยหยุดตัวมันเองเลยมันเคลื่อนย้ายตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายต่างๆเหลา่านี้ตามความเป็นจริงปุ๊บเมื่อไรโอโ้โหมนุษย์เนี่ยความไม่ประมาทมาเยอะเลยทีนี้เนะี่ยแต่ละวันแต่ละวันไม่ผ่านไปเปล่าจะมากหรือน้อยก็ต้องคว้าอะไรให้ได้ติดไม้ติดมือบ้ามันขนาดนั้นเลยนะเห็นความเปลี่ยนแปลงของแต่ละวันมันเร็วขึ้นไหมเห็นไม่เห็นแต่เห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าอภิมาตสัมปทามันเกิด ก็คือเห็นการเคลื่อนไปเดี๋ยววันเดี๋ยววันเนี่ยเดี๋ยวก็หมดไปเดี๋ยวก็เวียนมาเดี๋ยวก็เดือนเดี๋ยวก็เดือนเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวก็ปีการเวลาวาลีมันไม่คอยใครมันต้องรีบทำมีพาะิตก็บอกอันเวลาและวาลีมิได้มีไว้คอยใคร <c oughs> สมัยโบราณก็จะพูดคำนี้เรือเมลและรถไปมันก็ไปตามเวลาคนโอเอและอืดอาด มันก็จะพลาดไม่สมปรารถนาชวดแล้วจะโสกาอนิจจาเราช้าไปเ <c oughs> ออในการเวลาที่เราเกิดขึ้นมานี่ก็เหมือนกันนะเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพระธรรมอุบัติเกิดขึ้นแล้วพระริยสงุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเออเราก็ปล่อยวันเดือนให้ผ่านไปผ่านไปเลยไม่ได้ประโยชน์จากการที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกเลยโอ้โหชดไหมเนี่ยเสียโอกาสเลยเนยตรง น, น, น, นี้แทนที่เราจะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ออติดกระแสะชีวิ ต, ตทั้งไปทั้งตัวระบายก็ไม่ได้เลย ทีนี้ความสํานึกในการเวลาที่เกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงการเวลาที่เกิดขึ้นเพราะอะไรการเวลากำหนดการเปลี่ยนแปลงที่มันมีวันมีคืนเกิดหมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยโลกก็หมุนรอบตัวตัวเองรอบหนึ่งก็เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งหมุนรอบดวงอาทิตย์ไปได้รอบหนึ่งมันก็เป็นหนึ่งปีใช่ไหการเวลาก็ผ่านไปตาม ด้วยความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราที่เป็นอยู่ตลอดเวลาเลยโอ้านึกๆอย่างนี้แล้วโอ้โหมันไม่เคยหยุดเลยถึงเราจะหยุดนอนแต่กระแสชีวิตมันไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลงกระแสชีวิตของทั้งรูปธรรมและนามธรรม ท, ทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงโดดเดี่ยว อ, อยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ย ก็สิ่งทั้งหลายมันจริงๆมันน่าจะกระตุ้นเตือนให้เรานะปลุกเรา้าตัวเราเองให้มันตื่นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกชีวิตเป็นไปอย่างไรต่อไปไม่แน่นอนแล้วแต่เหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกจึงต้องขวนขวายเรียนรู้และกำหนดเหตุปัจจัยเท่าที่เราจะทำได้ให้ดีที่สุดด้วยความไม่ประมาทเพราะนั้นพระเจ้าก็เลยสอน นักสอนหนาวัานนี้เรื่องการเปลี่ยนแปลงและสอนเรื่องอ น, นิจจังว่ามีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการดับสลายด้วยต้องการให้เรามีความไม่ประมาทพระเจ้าตัดปัจฉิมวาจาวาจาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนปรินิพานเหมือนกับวาจาสั่งสอนของพระ อ, องค์บอกว่าวยะธรรมมาสังขารานี่ซับหนึ่งอั ป, ปมาเทนะสัมปาเทถะฉะนั้นในตัววยะธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเทนะสัมปาเทถานี่สองเป็นปัจฉิมโอวาเนี่ยปัจฉิมวาจาเนี่ย พระริจาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงก็คือสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดานั้นประโยคหนึ่งนะแล้วก็บอกท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนี่แปลว่าจงทากิจให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทหรือนียอมแปลกนันนี่ให้เต็มวมาจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท พุทธพจน์เนี่ยแสดงถึงหลักที่พระองค์นําเอาหลักอนิจจังหรือหลักความไม่เที่ยงนี้มาสัมพันธ์กับความไม่ประมาทใช่ไหมไอ้คำว่าไม่เที่ยงบ่งบอกทั้งว่าสิ่งทั้งหลายที่มันประด า, ามีอยู่เนี่ยมันเป็นตกอยู่ในกฎไตรลักในประดาสังขารทั้งหมดเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้สอนหลักความจริงนะไม่ใช่สอนหลักปฏิบัติ ให้เรารู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้ในบรรดากระแสชีวิตเนี่ยทุกๆขณะจิตหรือขณะของรูปธรรมและนามธรรม ท, ทั้งหลายเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่ตลอดเวลาเลยนะซึ่งเราไม่สามารถจะไปสกัดกั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้เลยเออนี่นี่ประโยคนหนึ่งส่วนนี้ประโยคน์หนึ่งก็ว่าท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตอนนี้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์บุคคลอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตอนในที่นี้ก็หมายความว่าอะไรเนี่ย ก็แปลว่าเอาแล้วเมื่อเราเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่าเนี้ยเราจะเอาสิ่งทั้งหลายให้สัมพันธ์กับความไม่ประมาทด้วยการว่าตอนนี้ตนเองยังไม่มีศีลยังไม่มีสมาธิยังไม่มีปัญญาก็ต้องฝึกฝึกศีล ส, สมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในกระแสชีวิตด้วยความไม่ประมาทเดี๋ยวถ้าไปอีกการหนึ่งเนี่ยมันหมดโอกาสในการที่จะฝึกขึ้นมาเช่นในการที่อายุแก่จนเกินไปเนี่ยมากไปกว่านี้แล้วเนี่ย สติปัญญาเลื้อเลือนฟันฟ่นเฟือนเลือนหลงขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงศีล ส, สมาธิปัญญาก็ไม่สามารถจะทำให้มีให้เกิดขึ้นเป็นต้นได้เนี่ยเออการที่พระพุทธเจ้าสอนดัดเรื่องความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงเพื่อกระตุ้นเราให้มีความไม่ประมาทแต่เรามองข้ามพุทธพจน์ที่สำคัญที่เป็นปัจฉิมวาจาว่าการพระเจ้าสั่งเสียสิ่งใดก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าต้องถือว่าสิ่งนั้นสำคัญมากแต่ชาวพุทธไม่ค่อยออกใจใส่ ในคําสอนของพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ไม่ประมาทเพราะสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงเราจึงควรมีจิตสํานึกในการเวลาและจิตสํานึกในความเปลี่ยนแปลงและให้จิตสํานึกในความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นตัวกระตุ้นเราให้มีความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เป็นปุพพนิวัติของการศึกษาก็คือความเป็นผู้หรือเป็นเครื่องนําสู่การดําเนินตามมรรค หรือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องก็คือกระตุ่ยเรือร้นเร่งขวนขวายไม่ประมาทพระพุทธเจ้าย้ำว่าเราไม่ให้บอกกหลักพุทธศาสตร์นาย้ำเตือนว่าเราไม่ให้เป็นคนเฉยชาไม่ให้เป็นคนอยู่นิ่งเฉยให้มีสติระลึกระวังตื่นตัวอยู่เสมอไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์มีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นไปตามเหตุจะเป็นเหตุของความเสื่อมก็เร่ง หลีกเร่งแก้ไขป้องกันอะไรเป็นเหตุถึงความเจริญก็เร่งปฏิบัติและจัดทาเออมันมีเหตุนะเหตุอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างในกุดเนี่ยเอ อ, เ อ, อพอมันเกิดน้ำท่วมแล้วก็ปล่อยปลาละเลยปล่อยหัวมาอย่างเราเนี่ยเฮ้ย ไอ้เหตุขอความเสื่อมเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขได้ว่าจะทํำยังไงจะป้องกันยังไงไม่ให้นกไม่หนูไม่มาแรงทั้งหลายมันเคลื่อเข้ามาในกุฏิยังไงเป็นเจอร์เหล่านี้มันหลักการป้องกันใช่ไหมฮะเอออย่างเงี้ยเขาให้เร่งจัดการแก้ไขอะไรที่เป็นปัจจัยความเจริญก็เร่งจัดทําอะไรที่เป็นเป็นปัจจัยที่จะทําให้โรัวพที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นโทรศัทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นโมหาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วมันจะเจริญอะไรเป็นเหตุปัจจัยก็ตัดเหตุปัจจัยนั้นเสีย อะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้ศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดได้ก็เกิดขึ้นศีล ส, สมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจเจริญไปบุญก็จัดทําให้เต็มที่เลยอย่างนี้เรียกว่าไม่ประมาทใช่ไหมเริ่มเข้าใจประเด็นนี้ได้ยังแต่ก่อนเข้าใจไหมประเด็นนี้เข้าใจยังไงอา้าวถ้าเราสังเกตดูนะว่าแล้วไอ้ความชั่ว บางทีเหตุปัจจัยที่จะทําให้เราทําชั่วต้องตัดไหมตัดเหตุปัจจัยนั้นไหมอะไรที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้โลภะเกิดอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โทสะเกิดอะไรเป็นปัจจัยให้ไม่มองหาเกิดต้องตัดไม่ใหเหตุปัจจัยนั้นอืมแต่ก่อนเราตัดไหมเอ้ตัวนี้เสียเลยเนี่ยนะอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดไม่มีศรัทธาอะไรเป็นเหตุปัจจัยทําให้หย่อนยานความเพียรอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้ฟั่นเฟือนเรือนหลงอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ฟุ้งซ่านอะไรเป็นนนเเเเหหหตตตตุุปปป็ััััััจจยยยใ้้้ลงงงสสอดน อะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทําให้ศรัทธาวิริยะสติสบารทิปัญญาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นก็เร่งจัดทําเร่งสร้างเหตุปัจจัยทั้นั้นโอ้ถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่พัฒนาเลยมนุษย์หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนี่ความไม่ประมาททั้งนั้น น, นี่ความไม่ประมาทเป็นไปในลักษณะอย่างนี้หลักพุทธศาสนาย้ําเตือนไม่ให้เป็นคนเฉื่อยชานี่แหละอป ama ถ้าทำเนี่ยพระเจ้าตรัสย้ําไว้ไม่รู้กี่ครั้งตะกี่ครั้ง ในฐานะเป็นปุถุพ น, นิวิธแห่งการศึกษาที่จะฝึกผลพัฒนาไปตามมรรคาย้ำในฐานะเป็นปัจฉิมวาจาย้ำในฐานะที่เป็นธรรมที่ควบคุมการปฏิบัติทั้งหมดเหมือนกับรอยเท้าช้างรวบรวมรอยเท้าเรอยเท้าสัตว์ไว้ไว้ทั้งหมดหลายคนเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ารอยเท้าของสัตว์ บ, บกทั้งหลายย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างชั้นใดทำทั้งหลายก็รวมลงในความไม่ประมาช้นนั้น ถ้ามีความไม่ประมาทแล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมในทุกข้อแต่ถ้าประมาทเสียอย่างเดียวเนะี่ยทำทั้งหลายที่เรียนมาก็ไม่มีประโยชน์ก็ไร้ประโยชน์เห็นไเพราะไม่เอามาปฏิบัติไม่เอามาใช้เพราะฉะนั้นจึงไม่จึงให้มีความไม่ประมาทเขา้าใจ ย, ยางฉะนั้นถ้ามองตรงนี้จะเห็นชัดเจนึน้นก็คือว่าถ้ามีความไม่ประมาทเราจะปฏิบัติธรรมได้ทุกข้อเลยแต่ถ้าประมาท เสร็จแล้วต่อให้เรียนขนาดไหนศึกษามาขนาดไหนไร้ประโยชน์ทันทีพ่อเราประมาทใช่ไหมปล่อยป่าละเลยเรารู้แล้วปล่อยยังไม่ปฏิบัติยังไม่ลงมือทำยังไม่เหล่งความเพียรยังไม่ฝึกฝนพัฒนาเลอะเลือนปั้นเฟือนเลือนลงเสียหายเลยนี่ประมาทดีเสียอย่างเงี้ยตกลงว่าอาประม า, าทธรรมอะอาปรม า, าทนันสัปมปทาคือการสร้างสรรและกระตือรือร้น เร่งขวนขวายก็คือการมีจิตสํานึกในเรื่องการเวลาและความเปลี่ยนแปลงที่ทําให้กระตือรือร้นอยู่เสมอในหลักสําคัญก็คือว่าเป็นปุพพนิมิตของข้อที่6กแห่งการศึกษาดูที่สําคัญมากเรื่องความไม่ประมาทอันนี้ก็ไปต่อยอดเอาเราจะได้รู้กระบวนการว่าโอ้สําคัญมากเลยเนยีกระบวนการแห่งการศึกษาเรียนรู้กระบวนการแห่งการที่เราจะเข้าสู่มัมชฌิมาปฏิปทากระบวนการแห่งการที่เข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาก็คือไม่ประมาทนี่เองเนี ถ้าอย่างนั้นเราจะเข้าไม่ได้เลยถ้าประมาทเราจะฝึกศีลไม่ได้ฝึกสมาธิฝึกปัญญาให้มีให้เกิดขึ้นไม่ได้ประมาทเดี๋ยวพรุงนี้เดี๋ยวบ่ายนนี้เรายังไม่ฝึกศีลแล้ช่วงนี้นอนก่อนผัดเพี้ยนก่อนประมาทไปเรื่อยๆๆนะก็นะก็ตายไปไม่รู้เท่าไหร่แล้ยนั้นเป็นทางแห่งความตายจริงๆนะฉะนั้นทําไม่ประมาทจะแล้วเนี่ยธรรมะที่ศึกษามาทั้งหมดปฏิบัติได้ทุกข้อเลย <c oughs> ตกลงก็มีความ ประมาทเนี่ยเสียหายตรงนี้ประการต่อมาคือโยนิโสมนัสิการข้อที่7การทําโยนิโสมนัสิการให้ถึงพร้อมก็คือสร้างโยนิโสมนัสิการ์ให้สมบูรณ์โยนิโสมนัสิการะเนี่ยเขาแปลว่าการทําในใจโดยแยกคายหรือการทําไว้ในใจโดยแยกคายการพิจารณาโดยแยกคายแปลแบบสมัยใหม่รู้จักคิดหรือฉลาดคิด คิดเป็นคิดถูกวิธีคิดถูกทางคิดถูกอุบายนี่แหละคิดถูกเราคุณธรรมทั้งหลายเป็นต้นได้พิจารณาสิ่งทั้งหลายตามแนวของเหตุปัจจัยถ้าเรามีทิฏฐิสมรธามีท่าทีแห่งกรรมเออแห่งการมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็จะหวังได้ว่าจะใช้โยนิโสมณิสิการและถ้าเราใช้โยนิโสมณิสิการเราก็จะเจริญยิ่งย่งขึ้นไปในทิฏฐิสมรธาเป็นต้นด้วยความจริงหลักเหล่านี้สัมพันธ์กันทั้งหมด เมื่อตัวใดตัวหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็โน้มเอียงในการที่พาตัวอื่นเกิดไปตามมาด้วยดังนั้นเน่เมื่อมีแรงจูงใจถูกต้องตามหลักของฉันท่าสัมปทาเป็นข้อที่สามปุ๊บก็จะเร้าใจให้คิดพิจารณาสืบค้นเหตุปัจจัยโยงมาถึงข้อสุดท้ายคือโยนิโสมสิการเช่นเดียวกันแม้แต่ข้อหนึ่งนะความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรก็สัมพันธ์กับโยนิโสมณิการด้วยตัวอย่างเช่นการรู้จักเลือกคบหากัลยาณมิตร เช่นเราไปคบคนดีทั้งหลายคนดีก็บอกกล่าวสิ่งที่ดีงามกับเราไปหาสื่อที่ดีทั้งหลายแล้วก็ได้รับสื่อที่ดีก็ทําให้เราฉลาดคิดอย่างนี้เป็นต้นชมรายการที่ดีทั้งหลายก็ได้รายการที่ดีก็เป็นปใจใัจจัยเกิดชาติาะั้นผู้ที่ดําเนินชีวิตอยู่ในโลกในสังคมหรืออยู่กับตนเองหรือจะปฏิบัติธรรมะอะไรก็ตามก็ต้องรู้จกักคิดพิจารณารู้จักทําใจต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องรู้จักพิจารณาประสบการณ์ที่ผ่านมา นะที่เข้ามาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เผชิญในทางที่จะให้เกิดกุศลรู้สึกที่ดีงามไม่เกิดไม่เกิดโทษแก่ชีวิตจะเป็นปจัจจัยเกิดปัญญาที่จะแก้ไขด้วยวิธีที่ถูกต้องยังไงรู้เข้าใจเท่าทันโลกและชีวิตและสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงว่าอาการสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นไตรลักษณ์ยังไงมันไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกข์ยังไงเป็นอนัตตาเป็นต้นยังไงเป็นต้นเหล่านี้แต่ตัวโยนนิสงมนุษย์กาเนี่ยสำคัญไหม สำคัญมากความผู้ฉลาดคิดตรงนี้โหถ้าพูดถึงโยนิโสมนัสการเนี่ยยาวเลยงานเนี้ยนะรู้จักคิดคิดเป็นคิดให้ถูกทางคิดให้ถูกวิธีทั้งหลายเหล่านี้พทปณิมิตของการปฏิบัติธรรมรุ่งอรุณของการศึกษาเจ็ประการก็ดังที่ได้กล่าวมานะเริ่มตั้งแต่กัลยาณมิตรตาความถึงพร้อมด้วยกัลยาณมิตรใช่ไหมพอได้กัลยาณมิตรตาเป็นต้นเหล่านี้นี้แล้วต่อมาก็มาเป็นศีลสัมปทาใช่ไหม ความทำศีลให้ถึงพร้อมให้บริบูรณ์จากเส ร, ราสัมปทาก็มาฉันทะสัมปทาการทำฉันทให้บริบูรณ์สร้างสันแรงจูงใจที่เรียกว่าฉันทให้เกิดขึ้นจากฉันทายสัมปทาก็กลายปเป็นอัตตาสัมปทาทำตนให้ถึงพร้อมทุกด้านจากอัตตาสัมปทาก็เป็นทิฏฐิสัมปทาก็คือถึงพร้อมด้ทัศนกติที่ดีที่ดีงามแล้วก็ข้อสุดท้ายก็เป็นเอไม่ใช่ อ, ชอปาม า, าสัมปทาข้อที่หก่อนทำความให้ปบวมามให้ถึงพร้อมให้บริบูรณ์ก็ ข้อสุดท้ายก็โยนิสโสมนสัสการและสัมปทานก็ทำโยนิสโสมนสัสการให้ถึงพร้อมไอ้ตัวโยนิสโสมนสัสการนี่สำคัญที่สุดสำคัญมากเลยพอมาพูดถึงเรื่องของตัวโยนิสโสมนสัสการในนี้เป็นเรื่องยาวและเป็นเรื่องยาวที่เราจะเชื่อมโยงว่าจากการยานามิตรพัฒนาสู่การเป็นผู้มีโยนิสโสมนสัสการอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะ โดยเฉพาะก็คือพูดถึงที่ว่าพูดถึงในเรื่องของตัวกัญยาณมิตรเนี่ยโอ้นี่สำคัญเลยการคบสัตว์บุรุษการครบคนดีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ก็สามารถจะยึดยองเป็นปัจจัยเชื่อมโยงทําให้เราได้ความเชื่อจากการที่เราได้สิ่งที่ดีงามจากการคบกัญญาณมิตรทั้งหลายและโดยเฉพาะข้อสุดท้ายที่เรียกว่าโยนิโสมนสิกานเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้สําคัญนะหลักไตรสิกขา จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยที่ได้พูดถึงในเรื่องของว่าตัวยน์ิโสมณิสการแท้จริงเนี่ยถ้าจะเชื่อมโยงเป็นปุปภคแห่งการศึกษา2อตัวนี้ก็ได้เนีไอตัวเริ่มไอที่ว่าจุดเริ่มของการศึกษาหรือความไร้ศึกไร้การศึกษาไอตัวศึกขาหรือศึกษาจริงๆเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาจะมี2ส่วนนะที่จะ ก, ก้าวเข้าไปหาศีลสมาธิปัญญาคือตัวปร ต, วโตโคลสั ที่ดีเสียงจากผู้อื่นอิทธิพลจากภายนอกเริ่ม้งแต่การมีกระยาณมิทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้นี่นะประการต่อมาก็มาตัวโยนิโสมนัสิการรู้จักคิดคิดให้ถูกวิธีเป็นปัจจัยภายในแล้วก็จะสามารถเข้าสู่กระ บ, บวนการของการศึกษาการฝึกฝนบัฒนาเลยเนี่ยเป็นอาทิาศีรษศิษขาก็คือการประพฤต ในสุจริตกายอาชีพทั้งหลายเหล่านี้กายวาจาและอาชีพอธิตจิตศิกย์ขาก็มีคุณธรรมคุณภาพสุขภาพและสมรรถภาพของจิตอธิปัญญาศิกย์ขาก็ความเชื่อค่านิยมความรู้ความถูกต้องดีงามตามความเป็นจริงทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นตัวโยนิโสมนัสิการก็เลยกลายเป็นว่าการทําในใจโดยแยบคายคิดให้ถูกวิธีก็แปล ง, ง่ายความรู้จักคิดคิดเป็นก็หมายถึงการคิดอย่างมีระเบียบ หรือคิดตามแนวทางของปัญญารู้จักมองรู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะตามที่สิ่งนั้นๆมันเป็นข้างมันโดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัยสืบค้นถึงต้นเขาสืบสาวให้ตลอดสายแยกแยะสิ่งนั้นๆ น, น่ในเรื่องนั้นๆออกให้เห็นตามสภาวะตามความสัมพันธ์ที่สืบทอดตามเหตุและปัจจัยโดยไม่เอาความรู้สึกหรือตัณหาประทานกตัเองเข้าไปจับตรงนี้สาคัญมากนะ หรือไปควบคุมทำให้เกิดความดีงามและแก้ปัญหาได้ข้ อ, อนี้เป็นองค์ประกอบภายในเนะเป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลถ้าเรียกว่าเป็นวิธีการของปัญญาเลยนะตัวโยนิโสมณิกานี่เป็นแกนกลางเลยนะเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้การศึกษาการฝึกฝนพัฒนาที่จะได้สำเร็จผลอย่างแท้จริงเนะี่ยถ้าขาดตัวโยนิโสมณิการแล้วจบเลยนะเนี่ยขาดตัวนี้ไม่ได้เลย นั้นการรู้จักที่จะใช้โยนิโสมนสิกาเนี่ยตัวนี้สําคัญมากเลยกระบวนการเน่ยการความคิดที่ไม่เป็นการศึกษาและความคิดที่เป็นการศึกษาต่างกันไหมอ่ะเช่นว่าความคิดเนี่ยพ่วงต่อกระบวนการรับรู้กระบวนการรับรู้นั้นก็เริ่มต้นด้วยการที่อายตนะประสบกันเนี่ยนะกับอารมณ์และเกิดวิญญาณก็เกิดการรู้ขึ้นมาขึ้นมีการประชุมกันเช่นตาบวกกับรูปปีการเห็นการรับรู้ รู้สึกสุขทุกจําได้ไหมรู้ก็คิดนะอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้กระบวนการห่งการคิดทั้งหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดโยนิโสก็ได้เป็นอะโยนิโส เ, เป็นต้นก็ได้นะเนี่ยจะเป็นกระบวนการหรือทางเกิดของปัญญาหรือไม่ไม่เกิดปัญญานี้ก็ต้องไปวิจัยแยกแยะให้ชัดถ้าเป็นอะโยนิโสวณิสิการ์มันก็จะเป็นปัจจัยต่ออวิชชาความไม่รู้ก็ไล่ไปตามลําดับเลยเนี่ หรือเป็นปัจจัยกิตัณหาอุปาทานโอ้โหไล่ไปอีกเยอะถ้าเป็นโยนิโสมนัศศิการก็จะเป็นปัจจัยต่อมาขภาวนาเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นวิชาสัมมาสังกปอะไล่ไปตามลำดับอย่างนี้เป็นต้นโอโในรายละเอียดตรงเนี้ยคงจะต้องต้องใช้กระบวนการเ่งการทำความเข้าใจค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ก็ยังจะไม่ไม่สาวไปเนะไอการรู้จักคิดเนี่ย กระบวนการของการคิดเป็นคิดให้ถูกทางคิดให้ถูกวิธีเนี่ยมันถึงในเรื่องของการดำเนินชีวิตทั้งหลายเ่านี้เป็นต้นเนี่ยที่บอกว่ารู้จักทำรู้จักพูดรู้จักคิดคิดเป็นพูดเป็นสื่อสารเป็นและทำเป็ น, นไอ้นีตจะเป็นเรื่องของโยนิโสมนศิการทั้งหมดเลยเนี่ยฮะจะมาโอ้นี่การดาเนินชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าว<ม>ิเคราะห์ออกไปแล้วก็จะเห็นว่าเต็มไปด้วย เรื่องของการรับรู้และเรื่องของการสวยรสของสิ่งรู้และสิ่งเล่าต่างๆที่เรียกลมๆว่าอารมณ์ทั้งหลายซึ่งผ่านเข้ามาแล้วก็ปรากฏทางอยายตนะทั้ง6ทางตาหูจมูกลิน้นกายใจเรียกว่าเห็นได้ยินได้กลิน่นรู้รสรู้สึกต้องกายแล้วก็รู้อารมณ์ในทางใจดูฟังดมชิมริมถูกต้องสัมผัสและคิดหมายเนี่ย ทิฏฐาทีปฏิกิริยาการรับรู้อารมณ์เหล่านั้นนะ่ะมีผลสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิต จ, จิตใจและวิถีชีวิตหรือชะตากรรมของคนเลยเนะี่ยถ้าเขารับรู้ด้วยท่าทีหรือความคิดในการยินดียินร้ายชอบชังวงจรปัญหาก็จะตั้งต้นนะตั้งต้นแต่ถ้าเขารู้คิดท่าทีแบบบันทึกข้อมูลหรือเห็นตามความเป็นจริง มองไปตามเหตุปัจจัยก็จะนำไปสู่ปัญญาและการแก้ปัญหาใช่ไหมถ้าเรามองยิ่งจะเห็นเลยนะว่าถ้าเรามองท่าทีหรือการคิดถ้าเกิดเหนนดนดนเ็นยินดียินร้ายได้ยินกยินดียินร้ายชอบชังเนี่ยนะในกลิ่นก็ชอบหรือชังริมรสก็ชอบชังสัมผัสถูกต้องก็ชอบชังคิดนกก็ชอบชังเนี่ยไอ้ตัวปัญหาวงจรปัญหามันเริ่มตั้งต้นแล้ว ตามมาเยอะมั่งแต่ถ้าหากว่าเป็นการเห็นปุ๊บก็บันทึกข้อมูลเห็นตามความเป็นจริงหรือมองตามเหตุปัจจัยพิจารณาวิจัยแยกแยะปุ๊บมันจะพัฒนาไปสู่ปัญญาและการแก้ปัญหาทันทีใช่ไหมใช่ไอ้ตัวโยนยุโสบรรณสการเป็นขนาดนั้นเลยเนี่ยนอกจากท่าทีและปฏิกิริยาในการรับรู้และสิ่งที่สําคัญไม่น้อยกว่านั้นก็คือการเลือกรับรู้อารมณ์และเลือกอารมณ์ที่จะรับรู้เช่น เลือกดูเลือกฟังในสิ่งที่จะสนองความอยากหรือแลดูเลือกฟังในสิ่งที่สนองปัญญาส่งเสริมคุณภาพชีวิตหรือเปล่าก็ต้องสังเกตดูว่าเราจะดูอะไรเราจะฟังอะไรเราจะดมอะไรเราจะกินอะไรเราจะสัมผัสอะไรจะคิดนึกอะไรมันสนองความอยากหรือว่าเป็นไปต่อการที่จะพัฒนาปัญญาใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยมันมันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปเพื่อ สนองความอยากหรือเลือกดูเลือกฟังที่จะสนองปัญญาจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตหรือจะทำลายชีวิตมันก็อยู่ที่เราเลยถ้ามองในแง่เนี้ยการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ผลดีจึงหมายถึงการรับรู้หรือว่ารับรู้เป็นได้แก่รู้จักเลือกดูเลือกฟังเลือกดมเลือกจะลิ้มเลือกสัมผัสเลือกคิดนึกพูดง่ายก็คือดูเป็นฟังเป็นดมเป็นชิมเป็นสัมผัสเป็นและคิดเป็น ตรงนี้สําคัญมากอะยังมีแง่ที่จะมองต่อไปอีกก็คือการดําเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยในความหมายอย่างหนึ่งก็คือการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายเพื่อถือเอาประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นให้ได้หรือเราจะเสียหายหรเราจะได้ประโยชน์หรือจะเสียประโยชน์เนี่ยถ้าจะเห็นได้ชัดสําหรับคนทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยการดําเนินชีวิตจะมีความหมายเด่นในแง่นี้ก็คือการที่จะได้เสพได้บริโภคคนทั่วไปส่วนมากเนี่ย เมื่อจะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสภาพสิ่งแวดแล้อมทางสังคมก็ตามทางด้านวัตถุก็ตามเนี่ยก็มุ่งที่จะได้จะเอาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากบุคคลหรือสิ่งของนั้นๆถ้าเราไปเกี่ยวข้องใครปุ๊บเนี่ยเราจะว่าอเราจะได้ประโยชน์อะไรเราจะไปทำงานเราจะนึกว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรเไปเกี่ยวข้องกับคนนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรเนี่ยเราจะไปนึก ล้ประโยชน์ของบุคคลถ้า ม, ถามีถ้ามีตัณหาความอยากเป็นตัวตั้งขึ้นมาก็เพื่อปนเปลือเลยปนเป ล, ป ล, ป ล, ลือตราหูจมูกลิ้นใจใจเปทนต้นสนองหรือประสงค์ความปรารถนาของตนเองพูดอย่างหนึ่งก็คือเพื่อต้องการสนองความประสงค์หรือความปรารถนาของตนเองจึงเข้าไปเกี่ยวสัมพันธ์กับบุคคลหรือสิ่งทั้งหลายอย่างนั้นอย่างนั้นแม้แต่การดําเนินชีวิตในความหมายของการรับรู้ในข้อก่อนๆก็แบ่งอย่างนี้นะด้านรับรู้เช่นเห็นได้ยินเป็นต้นก็ด้านเสพ เช่นดูฟังเป็นต้นอันนี้ความหมายด้านที่สองก็คือด้านเสพเนี่ยที่ว่าให้ดูเป็นฟังเป็นเป็นต้นเหล่านี้ก็ในยะที่รวมกันอยู่ในข้อนี้ด้วยถ้าเรามองอย่างนี้นะว่ากระแสชีวิตทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไปเสพหรือไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเนี่ยการรู้จักกินรู้จักใช้กินเป็นใช้เป็นบริโภคเป็นเสวนาเป็นครบคนเป็นอันนี้เป็นโยนิโสมนัสการนะถ้าตรงกันข้ามเป็นอโยนิโสม นั้นการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ผลดีควบคุมถึงการปฏิบัติถูกต้องที่เป็นส่วนย่อยของการดําเนินชีวิตมากมายและใ น, นแง่ด้านต่างๆโดยสรุปก็คือใ น, นแง่ของการร่วงพ้นปัญหาแก้ปัญหาเป็นตอนนี้เราชัดไหมข้อนี้การแก้ปัญหาเป็นไม่ชัดใ น, นแง่ของการกระทํากรรมคิดเป็นก็คือคิดให้ได้กุศลพูดเป็นก็คือพูดให้ได้สุจริต พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดคำจริงพูดคำที่เป็นประโยชน์พูดถูกการพูดด้วยเมตตาเนี่ยก็เรียกพูดเป็นใช่ไถ้าคิดเป็นก็คือคิดออกจากกามคิดไปในเมตตาคิดไปในกุณนาคิดในการที่จะทำสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์นี่คือคิดเป็นถ้าไม่เป็นก็ตรงกันข้ามนะสื่อสารเป็นอ๋อรู้ว่าคนคนนี้เราจะสื่อสารอะไรอย่างนั้น จะให้สื่อสารเป็นถ้าสื่อสารในกรณีอย่างนี้จะเป็นคุณเป็นโทษยังไงนี่โอ้นี่เป็นมาใสื่อสารแล้วก็ทําเป็นจัดการทําสิ่งทั้งหลายทําเป็นก็คือกายกรรมที่ทําไปทำเป็นพี่เป็นไปกกุศลนี่ในแง่ของการทำกรรมในแง่การรับรู้แหละดูเป็นดูปุ๊บเนี่ยปิดบาปอกุศลกรรมมันชั่วร้ายได้อภิชาธมนัตราคะทรสามไม่ไม่หมุนเข้าสุ่จิตนี่เขาเรียกดูเป็นแล้วดูแล้วทําให้ได้สุจริตสาฟังเป็น โอ้พอฟังเรื่องอะไรพวบ ก, ก็ทำให้ได้ปัญญาได้เมตตาได้กดุณาเป็นแล้วก็ได้สุจริตตามมาด้วยดมเป็นในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกได้เลยได้สติในลึกลมหายใจเข้าโอ้โหเนี่ยลิ้มเป็นเนี่ยกินอาหารได้ปฏิสังขายโยนิโสได้พิจารณาได้ปัญญาลิ้มเป็นสัมผัสเป็น สัมผัสเย็นร้อนทั้งหลายอะไรนี้ก็เป็นปัจจัยเกิดกุศลคิดเป็นนะไรสําคัญมากคิดที่เป็นไปกับปัญญาไปดนวยในแง่ของการเสพบริโภคก็คือกินเป็นใช้เป็นบริโภคเป็นเสวนาคบหาเป็นเป็นต้นเนี่ยนั้นการปฏิบัติในแง่ต่างๆที่เป็นส่วนย่อยของการดําเนินชีวิตรวมเรียกว่าการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วจากดําเนินชีวิตที่ดี พุทธิสอกคล้องกับขั้นตอนก็คือดําเนินชีวิตเป็นและก็ชีวิตที่ดําเนินไปเนี้ยได้เชื่อว่าเป็นชีวิตที่ดีงามตามในแห่งคําสอนของพุทธเจ้าเนาะฉะนั้นการเราปฏิบัติถูกต้องในด้านต่างๆเหล่านีน้รู้จักการใช้โยนิโสก็จะเป็นปัจจัยการรู้จักคิดแล้วคิดเป็นเนี่ยองประกอบสาคัญอย่างยิ่งในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องในแง่ของการรับรู้ก็คือการคิดเป็นเป็นศูนย์กลางรวมที่เป็นข่าวสารข้อมูลทั้งหมดในการ ที่ไหลามาชุมนุมเป็นที่วินิจฉัยนําข่าวสารข้อมูลเหล่านั้นไปปรุงแต่งสร้างสรรค์และใช้การต่างๆได้ในแง่ของการทํากรรมในกระบวนการการคิดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนําไปสู่การกระทําทางกายทางวาจานี่เรียกว่าพูดเป็นแล้กระทําเป็นเนป็นศูนย์บัญชาการก็เรียกทำกรรมนี่แหละในแง่ของความสัมพันธ์ในระบบทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นกับความคิดเป็นศูนย์กลางเป็นจุดประสานเชื่อมต่อระบบการรับรู้ กระบวนการการทำกรรมทั้งหลายเหล่าเนี่ยเป็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เนี่ยก็คือพูดรวมๆก็คือการคิดถูกต้องรู้จักคิดคิดเป็นเป็นศูนย์กลางที่จะบริหารดําเนินชีวิตที่ถูกต้องทั้งหมดเป็นหัวหน้าที่ชี้นํานําทางและควบคุมการปฏิบัติถูกต้องในแง่ต่างๆเขาเรียกว่าถ้าคิดเป็นแล้วมันช่วยพูดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นช่วยดูเป็นฟังเป็นกินเป็นใช้เป็นก็บริโภคเป็น คบหาเสวนาเป็นตลอดทุกอย่างคือดําเนินชีวิตเป็นนั่นเองจึงพูดได้ว่าการรู้จักคิดคิดเป็นเป็นตัวนําเป็นตัวชักพาแล้วก็เปิดช่องไปสู่การดําเนินชีวิตที่ถูกต้องและชีวิตที่ดีงามทั้งหมดลักษณะทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้นี่กเรียกรู้จักการเป็นโยนิโสมนัสิการและสัมปทาก็ต้องไปฝึกกันในส่วน้าิงก็จะสามารถดําเนินชีวิตได้ถูกต้องดีงามแล้วก็สามารถจะเข้าถึงหลักการในคําสอนพพุทธเจ้า แล้วก็สามารถกาจัดกิเลสพ้นจากกิเลสและกองทุกได้อล่ะสมควรแก่เวลาแล้วในชั่วโมงกว่ากว่าแล้วมีอะไรทำไหมไม่ ม, ส ม, สมีสำคัญัหยสำคัญไหมสาคัญจากชีวิตธรรมดาก็พัฒนาไปเรงการบรรลุธรรมได้